เพราะความเจริญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทท้าหลายแต่รูปปู่โพธิยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาาสติในตอนที่ว่าด้วยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาถึงช่วงที่เรียกว่าอายตนปะปภะคือหมวดที่ว่าด้วยอายตนะได้แก่ตาหูจมูลินกายใจรูปเสียงกลิ่นรสพุทะ ธ, ธรรมารมณ์นั่นเอง โลกเราเป็นโลกของสัมผัสความดีความชั่วมันก็มาทางภาษาสัมผัสของเราทางการศึกษาในแนวนี้ก็คือศึกษาให้รู้เท่าทันตังสภาวะของจิตเวลาสัมผัสอารมณ์ในกรณีที่นะฮะในกรณีที่ส่วนของกิเลสมันเกิดขึ้นส่วนของธรรมะก็ส่งสอนในหมวดอื่นคือเป็นการสอนค้อนข้างจากพิสดาร คือประเด็นได้ก็ควรดูโครงสร้างก่อนรัศสารว่าตัวคพิสูุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสูจย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือยตนาภายในและอยตนาภายนอกกกอย่างละกุกตัวคพิสูจน์ต่งหลายก็อย่างไรภิสูุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออยตนาภายในและยตนาภายนอกกก ดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจนในธรรมปีนาณีย่อมรู้จักตาด้วยร่อมรู้จักรูปด้วยคือจับทีละคู่นะฮะเป็นการท่งสอนให้มองทีละคู่ตัวพวกนี้เนี่ยตาหูจมูกเล่นกายเนี่ยก็ เ, เป็นอีสีก็ เ, เป็นใหญ่ในการรู้รูปในการฟังเสียงในการดมกลิ่นในการลิ้มรสในการถูกต้องหยุดน้อ น, นอ่แข็งและในการเหนียวนึกจึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลาย มันจะต้องรู้จักตากับรูปแต่ว่าตากับรูปไมหล่องสังเกนตนะฮะมันเป็น ก, นกลางๆนะฮะเป็นอัปยากริเป็นธาตุเป็นส่วนประกอบของดินน้ําลงไฟอากาศมันเป็นประสาทสัมผัสเฉยๆตรนปอาหารท่าก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านไปเจอรูปเสียงกริโนตุตพัฒนธรรมรมแต่ที่ ผิดกับเราก็คือว่าท่านไม่มีกิเลสเรามีกิเลสเพราะในความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทตาทีต่ออารมณ์ที่มากระทบพระเนรรับสั่งว่าอันนึง่งสังโยชนย่อมเกิดขึ้นอายตนะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้อันนั้นด้วยอันนึง่งความที่สังโยชนยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วย แล้วก็อันหนึ่งความที่ละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยกวารู้สังโยชน์อันตนละแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้อีกด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นด้วยอันนี้คือหลักกอจะเห็นว่ากิเลสประเภทสังโยชน์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะฮะคือโลกกดหลงแต่เป็นโลกกดหลงที่ละเอียด มันเป็นเครื่องผูกจิตหรือตามปกติก็สงบอยู่ในภายในถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกัะตรกรนอนอยู่ก้นภาชนะมันไม่พุ่งขึ้นมาหรอกถ้าใครจะาไปขย่าวน้ำทีนี้ปัญหาว่าน้ำมันมากหรือเปล่าถ้าน้ำมากก็แสดงว่าโอกาสที่จะตระตกรจะขึ้นมาเนี่ยมันจะยาก ว่าแนวการปฏิบัติเป็นแนวการเจริญกุศลคือเพิ่มน้ำขึ้นไปแล้วกุศลก็ทำหน้าที่สลายทำหน้าที่กดทำหน้าที่ผลักดันใตะกอนลงไปอยู่ข้างล่างน้ำก็อยู่ข้างบนน้ำข้างบนก็ดื่มได้อาบได้อุปโภคบริโภคใช้สอยได้แต่ว่า ย, ายาบยาบนะฮะยาบยาบเาก็ขึ้นมา ตามปกติแล้วเวลาเห็นรูปเนี่ยถ้าเราไม่ปรุงคิดคิดปรุงพวกสัญยศ์มันก็อยู่้างด้าเราสามารถคิดปรุงด้วยเป็นกุศลก็ได้เนี่ยเมื่อก่อนในเจอหนังสือเล่มใหญ่ที่หอสมุดล้วไม่ได้ดูหรอกเป็นผู้ถึงเด็กไทยข่าพระที่สหรัฐอเมริกาพ็ถามถามเจ้าคุณที่เป็นลูกศิษย์ก็อยู่ตรงนั้นก็ถามว่า มันเหตุอะไรถึงได้ข่ากันมันเป็นไปได้ไหมว่าเด็กเหล่านี้แกคิดว่าพระพุทธรูปนั่นคือทองคําแล้วป้นเนี่เพื่อจะแย่งทองคาอันนี้ก็กลัวว่าจะมีสกีพยานก็เลยข่าเรียบวุฒิเลยวัดพรมคุณอารามหรืออะไรที่ทางสหรัฐอเมริกานี่แสดงให้เห็นถึง ตัวความคิดเวลาสัมผัสอารมณ์เนี่ยแเดงว่าถ้าเรามีปัญญาเข้ากำกับมันก็รู้นะระพุทธรูปก็ทำด้วยทองเหลืองทำด้วยคอนกรีตไม่มีประพุทธรูปที่ทำด้วยทองคำมากมายกายกองอะไรอย่างสมัยโบราณเนี่ย จ, จะมีแต่สมัยปัจจุบันเนี่ย มีก็ไม่มากหรอกแต่เพราะความรู้เห็นไม่เป็นไปตามความเป็นจริงจึงเกิดความโลภต้องการจะครอบครองแล้วลงทุนค่าพราะเวเนก ย, ยังติดคุกอยู่รังนั้นสัญญาเหล่านี้มันถูกกระตุ้นให้เกิดความอยากพอเห็นรูปรูปมันก็มองไปทองคำก็เกิดความอยาก สังโยชน์มันก็เกิดขึ้นทีนี้ไอ้การเกิดของสังโยชน์เนี่ยมันไม่ยุติว่าสังโยชน์ใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังหรอกมันไม่ยุติหรอกมันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดยังไงในขณะนั้นๆแต่ว่าเราควรจะมารู้จักกับสังโยชน์แต่ละข้อแต่ละข้อนะเพราะว่าจะว่าตามโครงสร้างนี้จังกิงงคงนานแต่ก็มองไปตามโครงสร้างคือลักษณะ สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดยังเกิดขึ้นได้ได้ได้อย่างไรที่เกิดขึ้นแล้วในี่ยละได้อย่างไรที่ละไปแล้วเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกได้อย่างไรนั่นก็คือวิธีการในการมองเออสังโยชน์ท่านเรียงไว้ตามปกติแล้วก็เรียงไว้สองหมวดนะแต่เราก็มองอีกหมวดหนึ่งคือหมวดที่ระยะบุคคลละได้ตามลำดับ ก็มีสิบประการด้วยกันข้อแรกเรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนมีพวกเราพวกเขามีเรามีเขามีพวกเราพวกเขาแล้วก็มีความแบ่งแยกออกไปจุดนั้งจุดหนึ่งเนี่ยมันมีความลึกซึ้งลงไปไปมองเห็นว่าเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นเรา เรามีอยู่ในการห้ากาันหามีอยู่ในเราแล้วก็ยึดติดโดยอํานาจตันหาบ้างโดยหน้าทิฏฐิบ้างโดยอานาจปนานะบ้างก็ได้แต่ในกรณีนี้ก็ยึดติดโดยอํานาจคนทิฏฐิแล้วเราก็ต้องรู้จักเขาทีน่นี้สังโยชน์ประเภทนี้มันเกิดขึ้นได้ด้วยประการใดมันเกิดขึ้นได้ด้วยความด้วยอวิชชานะั่นแหละมันมาจากอาวิชชานะคือเป็นหลงประการตอกย้า เราจะเห็นว่าคนในนับถือศาสนาเทวนิยมเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัวเองผูกโยงอยู่กับสิ่งสูงสุดซึ่งเรียกอะไรก็ตามนะแต่ศ า, าสนาเทวนิยมไม่ไปรู้สึกว่าตัวเองไปผูกโยงกับสิ่งสูงสุดตรง น, นั้นแต่ในขณะเดียวกันแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ยังรู้สึกเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขามก็ธรรมชาติของมันแล้วก็มีการเน้นย้ําออกไปเป็นพิเศษ เราเป็นดังนั้นเราเป็นอย่างนี้นนนตัวตนเราใหญ่โตหมัวลานอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่อะไรก็มีชาติชั้นวรรณะที่ถือกันด้วยประการต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็ไม่มีอะไรอ่ะนะมันก็ดินน้ำดวงไฟอากาศวิญญาณแต่ว่ามนุษย์ก็ไปให้ความคืออัตตามันเริ่มเคลื่อนขึ้นเนี่ยแล้วก็จะเลยเป็นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น แล้วถ้าแบบร้อนต่างๆภายในสังคมเนี่ยมันไปกลปลื้ไปยกย่องไปแสดงความชื่นชมไปการยอมรับนับถือยกย่องกันที่เต้มก็เตลดิดมันก็เหลิงนึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะในเรื่องเราเนี่ยท่านสอนให้เรารู้ว่า สักายะทิฏฐิที่ยังไม่เกิดแต่มันเกิดขึ้นด้วยสภาพต่างๆแต่ว่าจริงๆมันมาจากกิริยามันเกิดมาจากกิริยามีความหลงผิดมีความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ค่อยคิดนะเรื่องเหล่าเนี้ยไม่ไม่เคยคิดแต่คิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเราก็เห็นว่าคนนี่ใหญ่โตอย่างไงมันก็ตายมันคือตายมันคือศพธรรมดาเนี่ยเอง จนบรรยุ บ, บางสมัยเราจะเห็นว่าเป็นถึงพูดหรือเลือดสีนั่นสีนี่สีโ น, น้นอะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่องของอัตตาที่สร้างขึ้นและ ท, ที่สำคัญอย่างยิ่งคือไปผูกโยงไปผูกโยงกับสิ่งสูงสุดทำให้รู้สึกว่าตัวเองนี่เหนือกว่าคนอื่นและที่พระเจ้าสร้างโลกเนี่ยก็ถือว่าตัวเองเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าเป็น คนของพระผู้เป็นเจ้ามันต้องใหญ่กว่าบุคคลอื่นทั้งหมดในโลกนี้มีการ ด, ดูถูกดูมินมีการเหยียดหยามกันดังนั้นสกริรยัติถิมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ เ, เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทีประการหนึ่งคือวิจิิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจเป็นการพูดตามลำดับนะฮะเป็นการพูดตามลำดับ วิกิารคือความเาครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในสิ่งต่างๆแล้วก็ออกมาในแปดเรื่องด้วยกันนะครับเรียกกังขาสิบกังขาแปดประการคือสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในไตรจิตขาคือสงสัยในเรื่องศีลสมาธิปัญญาลักษณะของศีลสมาธิปัญญา ความดีของศีลสมาธิปัญญาอันนิสงของศีลสมาธิปัญญาอะไรอะไรก็สงสัยหมดเกือบแพรงสงสัยไม่แน่ใจปัจจัยลงไปไม่ได้แล้วก็สงสัยในชีวิตอดีตอดีเราเคยเกิดหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดแต่เราเคยเกิดเราเกิดเป็นอะไรมีสุขมีทุกข์อย่างไรตายจากนั้นแล้วไปเกิดที่ไหน เกิเป็นอะไรมีสุขมีทุกข์ยังไงก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดเนี่ยมันก็กลายเป็นความเครือบแคลงสงสัยที่ไม่อาจปักใจลงไปได้ว่าเราเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรกันแน่ก็กระจายออกไปเป็นสงสัยในเรื่องอดีตสงสัยในเรื่อง อ, าอนาคตสงสัยทั้งอดีตอนาคตแล้วก็สงสัยในกฎเกณฑ์ต่างๆนะรเรียกว่ากฎของปฏิจจสมุปบาท ลักษณะของความสงสัยนั้นท่านได้จาแนกแสดงไว้ในวิสุทธิมัตตคือสงสัยในอดีตว่าในอดีตการที่ล่วงไปแล้วเนี่ยเรามีไหมหรือว่าเรามีหรือไม่หรือเราได้เป็นอย่างไรเราได้มีด้วยด้วยหรือไม่เราเป็นอย่างไรแล้วก็ได้เป็นอย่างไรต่อไปบางที่ก็ปัจจุบันเนี่ยแหละปัจจุบันขณะที่เราก็สงสัย ไม่แน่ใจว่าในการดำเนาิ น, านที่ยังไม่มาถึงเอไม่ใช่ในอนาคตนะครับในปัจจุบนันในสงสัยว่านี่เราหรือนี่เป็นเราหรือนี่เราเป็นชะไหนาหนอนี่เราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาแต่ไหนหนอเราจะไปที่ไหนต่อไปมันก็คล้ายๆกับที่เราไปดูหมอดูกันนะะก็จะเห็นว่าหมอดูเนี่ยมันก็ถามอย่างเงี้ย ดูเองแกก็ไม่รู้หรอกก็ถามกันไปเรื่อยเป็นคนตาบอดจูงตาบอดกระเดินก็เป็นแถวนะอินดูทีนี้ก็ต่อไปก็นาคตนะฮะชาติหน้ามีจริงไหมนรกสวรรค์มีจริงไหมคนเราตายแล้วเกิดอีกไหมอะไรอะไรเนี่ยนิพพานมีอยู่จริงไหมอะไะเนี่ยมันเป็นการสงสัยในเรื่องอนาคตมันเพราะอะไรเพราะว่าโมหะคือความไม่รู้เห็นตามความจริงเรา ในการนานที่ยังไม่มาถึงนี่เราจักเป็นอย่างไรเราจักไม่เป็นหรือหรือว่าเราจะเป็นอะไรอย่างไรเราจักเป็นเราเป็นอย่างไรแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปก็สงสัยมั่วๆกันอยู่อย่างไงี้อุปนันไปเรื่อยๆแล้วสงสัยในปฏิจจสมบาติปฏิจจสมบาตินั้นมันเป็นกระบวนการของเหตุผลแล้วก็ ที่จริงเราก็เทียบดูอย่างการสืบสกุลเราเนี่ยถ้นสมมติเราเป็นนับหนึ่งที่ปู่ทวดนะนับไปไกลไม่รู้จะเรียกยังไงว่าเพ่อมีปู่ทวดจึงมีปู่พราะมีปู่จึงมีพ่อพ่อมีพ่อจึงมีเรานะแล้วก็เราต่อไปถ้าหากว่ามีครอบครัวก็มีลูกของเราก็ต่อกันไปเรื่อยๆเลยทีนิการที่ท่านได้เป็นปู่ทวดเนี่ยเพราะว่ามีเราถ้าไม่มีเราท่านก็ไม่ได้เป็นปู่ทวดปู่ที่ได้เป็นปู่ก็เพราะมีเรา พ่อที่ได้เป็นพ่อก็เพ่อปีเรานะเราที่ได้เป็นลูกก็เพ่อมีพ่อนะแล้วเราก็ได้เป็นหลานก็บพ่อมีปู่เราที่ได้เป็นเหรนก็บพ่อมีปู่ทวดเอ๊ะแล้วกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยมันก็โยงกันเพราะโดยสูตรเนี่ยมันเป็นการพูดถึงก็เรียกกิเลสกรรมวิบากมันมีกิเลสแล้วพอทากรรมทํากรรมก็แ ล, ล้ผลของกรรมมันก็เป็นกระบวนการที่หมุนหนุนกันไปเรื่อยๆตัววิชาเป็นปัจจัยก็เกิดสังขาร การไยปัจจัยก็เกิดปัญญาปัญวาปัจจัยเกิดตามรูปตามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจเจกเกิดปัสสะปัสสะเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยก็เกิดอุปปาทานอ yeah ja ุปปาทานเป็นป <by book. S 3> ัจจัยก็เกิดพบพบเนี่ยมันก็นําไปสู่ชาติจารามนุษย์ชาติคือความเกิดพอเกิดแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายก็ปรากฏสูญเสียก็ว่ากันไปตามกระบวนการของธรรมชาติของมันเออทีนี้พวกวิจิตรชาเหล่าเนี่ย ตราบใดที่เราาจัดมันไม่ได้เนี่ยทุกครั้งที่เราเห็นรูปความเสียงลุงกิ่นลิมรสเนี่ยราลองสังเกตว่าเรารู้จักไม่รู้จักสงสัยรู้จักไม่รู้จักสงสัยครับคราครับครา ก, ก็คือสงสัยะครับคราครับคราเนี่ยไม่รู้จักเนี่ยมันเป็นโมหะล้วนๆรู้จักเนี่ยมันไม่ถึงกับปัญญาแล้วแต่ก็รู้จักก็มีปัญญาอยู่รดับหนึ่งอย่างน้อยก็สัญญา แต่คล้ายคราบคลาเนี่ยมันคือเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจปัดใจไม่ได้หรือบางทีเราก็เรียกว่าสงสัยก็คือกันนี่ยนะเพราะในชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่ตลอดไม่แน่ใจในเรื่องราวต่างๆในข่าวพาลต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังต่อไปก็ศีลพฏตปรามาสคือการถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติที่ตัวเองคุ้นเคย ตัยเองไปยึดถือว่าสาคัญอย่างนั้นอย่างนี้ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือผานาทีพีหลวงเหล้วเหล็กเครื่องรางของคลังต่างๆในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่อไรเนี่ยมันจะเกิดฝังใจปากใจฝังใจอย่างนั้นอย่างนี้เราทำให้เกิดหมกมุ่นคุ้นคิดวุ่นวายอยู่กับเรื่องต่างๆ อย่างพวกแนวครั้งขังสักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งแปลกทั้งหลายที่เราไปงม ง, งายกันอยู่เนี่ยแล้วบางคนก็ปักใจลงไปเลยอย่างเนี้ยถูกต้องอย่างเด็กไม่ถูกต้องอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอะไรเนี่ยก็กลายเป็นการขัดแย้งการต่อสู้การแบ่งแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันประพฤติปฏิบัติแม้ในเวทมนตรกรรมฐานเราเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีมันมีลักษณะคนศีลรพตประหลามา คือกรรมฐานนิเจ้าวางไว้กระจายเนี่ยเพราะว่าพื้นเพจริตอัตยาสายคนเราไม่ทัดเทียมกันแต่สอนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมันไม่ได้มนันเรื่องลังเลชอบลังยาพราะองค์ก็ทจำแนกแสดงออกไปโดยวิจิตพิสดารถึงกรรมฐานสี่สิบในแนวของวิปัสนาถ้าเราแยกทีละส่วนออกมาเนี่ยถึงเจ็ดสิบกว่านะแต่ถ้านัาเป็นหมวดก็มีหกหมวด อีขัน5้าอายตนา 12, 58, 22, สิบสองทาสิบแปดอินทรีย์ยี่บสองอริสัต4ีปฏิจจสมุปบาท6กหมวดให ญ, ใหญ่พอย่อยไปอีกก็ได้ถึงเจ็ดสิบกว่าก็แต่ละอย่างมันเป็นอารมณ์ที่ให้เลือกเอาตามความพอใจแต่ถ้าเราขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาแล้วเนี่ยมันแก้เกิดกัรหามาน่าทิฐีขึ้นมาเช่นสมมุติว่าเราใช้จเจริญกรรมฐานว่า ภ า, าวนาบ่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยบอกคนอื่นไม่พุทโธอย่างเราก็ถือว่าไม่ถูกละเอาอีกฝ่ายหนึ่งก็ยุบหนออะไรนะยุบหนอพองหนออะไรอะไรเนี่ยแล้วพอเพื่อนไม่ว่าตามท่านก็ผิดละตัวหนึ่งก็บอกสัมมาระหังไม่ได้ต้องสัมมาระหังสัมมาระหังทําไมว่าอย่างนั้นก็ผิดแล้วที่จริงทั้งหมดมันก็ถูกทั้งหมดมันเป็นถนน เป็นถนนที่จะนําเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือถนนมันมีหลากหลายในเมืองไทยในมีถนนกี่พันสายกี่หมื่นสายก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเรานัดหมายกันมากรุงเทพไปกันนักก็คนทุกประเทศเนี่ยมานัดพบกันที่กรุงเทพไปกันนถ้ามันโดานัดพบกันที่สนามหลวงนะฮะมันก็มาถึงสนามหลวงมันก็เป็นสนามหลวงก็ทันนั้นเองไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องสนามหลวงคนละแห่งกันดังนั้น ปัญหาเหล่านี้บางทีมันนอกเรื่องก็เรียกว่าอีด้าไม่ว่าสัจจงโมฆะมันอย่างอย่างนี้ตอนนั้นถูกต้องอย่างยวนะทกต้องแล็วก็ปรับใจฝังใจในเรื่องเหล่านั้นโกศิลปตาปรามาพวกห้าประการเนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยล้วถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะวิธีกิจฉานี่เกิดขึ้นจากอโยนิโสมนีสิการคือไม่คิดได้เป็นระบบมีกฎมีเกณฑ์ มีหลักการในการพิจารณาเทียบเคียงตรวจสอบสอบพานนะฮะเทียบเคียงเพื่อให้ได้หลักการที่ถูกต้องดีงามเนี่ยเราไม่ได้มีระบบความคิดอย่างนี้นคือเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยถ้าไม่ถ้าถ้าเราคิดจะมีระบบมีกฎกมีเกณนฑน์ในการคิดเนี่ยเรานึกดูสมมติว่าเรื่องพระพุทธเจ้าเราที่คนแกลงกันดูเยอะในปัจจุบันเนี่ย แล้ววันก่อนในดูตัวเลขในหนังสือพิมพ์บอกว่าชาวพุทธมีอยู่ 3,000 กว่า300กว่าพูดเกินไหมที่อันดีสหภาพโซเวียตในเพากล่าวเป็นพุทธมาเยอะแยะไปแล้วทุก ว, วันเนี่ยประเทศจีนนี่กล่าเป็นพุทธเยอะเลยจีนนี่มันเป็นพรรคคอมมิวนิสต์20ล้านแต่นั้นเองมันไม่ใช่เป็นคอมมิวนิสต์หมดทั้งประเทศประชาชนก็ยังนับถือาศาสนาไปวัดบรรวากันตึงๆนี่นะก็ไม่เห็นมีอะไร ก็เคยไปก็เคยไปดูก็เจอพี่น้องชาวจีนเข้า ว, วัดกันเต็มไปหมดเลยมันมันไม่ใช่ว่าเขาเป็นคอมมนิสต์ทั้งหมดแล้วเราก็ไปหลงตัวเลขเหล่านั้นเพื่อเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเล็กๆกระจ้อยร้อยต่ำกว่าศาสนาฮินดูได้ซ้ำไปนะที่จริงคนนี่มันเยอะ แต่ว่าศาสนาพูดไปไม่มีลักษณะรวมศูนย์ด้านั้นเองต่างคนต่างก็เป็นต่างคนต่างก็ประพฤติปฏิบัติทํานองคล้ายๆกับฝนตกต่างคนต่างก็รับน้ําฝนแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็ใช้สอยเองนะเป็นเจ้าของสิทธิในเรื่องตรงนั้นทีนี้แนวศีลปฏิบประมาตเองมันก็เป็นแนวที่ไม่ใช้ความคิดแต่มันเป็นระบบ มีตะเก็นกฎเกณฑ์ในการคิดพิจารณาเทียบเคียงสอบทานมองเหตุไปหาผลมองผลไปหาเหตุเทียบโยงกันที่จริงถ้าเราใช้ระบบความคิดเนี่ยนะทั้งสามข้อนั่นแหละคือคิดมีเหตุมีผลเนี่ยมันมันเป็นอาการของโมหะการคิดมีเหตุมีผลมีหลักการวิธีการในการคิดเนี่ยมีระบบในการคิดเนี่ยมันเป็นอาการของปัญญ า, าการกระแสงสว่าง เราก็ทำหน้าที่กระจายความมืดอยู่โดยสภาพมันแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาได้นะบรรเทาลงไปได้แต่ถามว่าพวกนี้ถจะ拉ให้ได้ขาดมันจะ拉ได้ยังไงคนที่ล拉พวกนี้ขาดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะเพราะว่าเป็นมือระดับเปโสูดาบันนะจึงล拉ได้ขาดเมื่อล拉แล้วจะไม่เกิดกำเริบขึ้นมาอีกไม่ว่าในการใดๆก็ตามเป็นมือระดับเปโสูดาบัน สามัญทนทั่วไปไม่สามารถล่าได้หรอกแล้วก็ระยะบุคคลเหล่าอื่นเนี่ยท่านก็ล่าได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นผู้สังโยชนสามอา ก, การเหล่านี้ยทีนี้เมื่อท่านร่าได้แล้วเนี่ยจากนั้นประสาทสัมผัสตางตาหูจมูกลิ้นกายของท่านเห็นรูปเสียงกลิ่นวัตถุธาตุใช่สัมผัสรูรปเสียงกลิ่นวัตถุธาธรรมลมนันก็ไม่เกิดความยินดียินได้อะไร โยเว่าะกิเลสประเภทสามอย่างนี้ที่ท่านละได้แล้วเนี่ยจะไม่เกิดกำเริบขึ้นมาอีกนะไม่ว่าจะมีการปรุงแต่งประดับประดานะสร้างสีสันขึ้นมาอย่างไงก็ตามทุกฝั่งทั้งหลายใต้รมพธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตัวนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งองงามไพบุ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี